เวลาโอปะปะติกะจุติหรือตายจากกันผู้ที่อยู่ด้วยจะมีความเศร้าโศกหรือไม่และจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าจะจุติเมื่อใดจะไปเกิดที่ไหน ตมปัญหาข้อนี้คุณสังวารตินสุลานนซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยกับข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็นผู้ถามขึ้นและข้าพเจ้าก็ได้นำปัญหาข้อนี้ไปกราบเรียนถามอุปะปาตฐิกะท่านหนึ่งและท่านได้กรุณาให้คำตอบดังต่อไปนี้ ในโลกของโอปะปะติกะมีกฎที่ควรจะจําไว้อย่างหนึ่งว่าผู้ใดในเมื่อได้ฌานตายไปแล้วย่อมไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกซึ่งเป็นโลกของโอปะปะติกะผู้ที่เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกนั้นโดยธรรมดาจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับอยู่ในฌานเสมอโดยเฉพาะก็คือนิวรณ์ทั้งห้าไม่กำเริบเช่นตลอดเวลาที่เป็นพรหมอยู่การราคะและปัติคะไม่เกิด จิตจะประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอยู่เสมอแต่ถ้าหากเมื่อใดกิเลสกำเริบขึ้นมารมผู้นั้นก็จะจุติหรือตายจากรมทันทีซึ่งในเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในโลกมนุษย์จะเห็นว่าแตกต่างกันมากเพราะมนุษย์ทั่วไปแม้จะเกิดราคะโทสะอย่างไรก็ไม่ถึงตายถ้าหากไม่มีโรคทางกายร้ายแรงเป็นประจำอยู่ เช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอ่อนอย่างนี้เป็นต้นร่างกายมนุษย์มีความทนทานต่ออานาจของกิเลสแต่อปปาติกะที่เป็นพรหมไม่เป็นเช่นนั้นเพียงแต่กิเลสกำเริบก็ถึงตายทั้งนี้ก็เพราะท่านไปเกิดเป็นพรหมได้ก็ด้วยอำนาจของฌานโดยธรรมดาผู้ที่อยู่ในฌานถ้ากิเลสเกิดเมื่อไรจิต ก็จะถอยออกจากชานทันทีร่างกายของโอปปปาติกะเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากของกรรมล้วนๆเกิดด้วยอำนาจของจิตอย่างเดียวและเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของจิตได้ง่ายเพราะสภาพร่างกายของโอปปปาติกะขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพรหมนั้นจะว่ามีอายุยืนตายยากก็ได้จะว่าตายง่ายก็ได้ ส่วนร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของตันหาราคะด้วยอำนาจของกิเลสหลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่กิเลสเกิดจึงไม่ทำให้ตายและสภาพร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นมาจากวัตถุฉะนั้นจึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุแต่ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจด้วยเพราะร่างกายก็เป็นผลมาจากวิบา ก, กรรมเหมือนกันความตายของร่างกายมนุษย์ จึงมีสาเหตุมาได้ทั้งสองทางคือจากอำนาจของจิตใจและจากอำนาจของวัตถุส่วนพวกโอปปปาติกะขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจอย่างเดียวโดยหลักอย่างเดียวกันผู้ที่ไปเกิดเป็นโอปปปาติกะนั้นเมื่อตนไปเกิดอยู่ในภพไหนหรือภูมิไหนด้วยวิบากอะไร ถ้าวิบากอันนั้นเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่ในสภาพเดิมก็จะจุติจากภูมินั้นทันทีแม้ผู้ที่ไปเกิดในนรกก็เหมือนกันเมื่อวิบากกรรมชั่วเปลี่ยนแปลงเพราะจิตเกิดเป็นกุศลขึ้นเขาก็จะพ้นจาก น, านรกในภูมินั้นทันทีแต่ก็ควรจะสังเกตไว่อย่างหนึ่งว่าคนที่ทำความดีหรือความชั่วนานๆนั้นสันดานเปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นการที่คนบางคน ซึ่งอยู่ในนรกนานหรืออยู่ในสวรรค์นานแต่บางคนก็อยู่ไม่นานนั้นก็เนื่องด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้สำหรับอปปฏิกาศาที่อยู่ในภูมิต่ำซึ่งโดยปกติพวกนี้มีความเศร้าโศกหรือความไม่สบายใจเป็นพื้นอยู่แล้วฉะนั้น ถ้าจะมีใครซึ่งอยู่ด้วยตายจากหรือหายไปก็ย่อมจะเกิดความเศร้าโศกเป็นธรรมดาและตัวเองแม้จะเกิดความเศร้าโศกก็จะไม่จุติตามไปด้วยแต่สำหรับอบปฏิกะชั้นสูงซึ่งมีความสุขอยู่เสมอพวกนี้ถ้าหากจะมีใครซึ่งอยู่ด้วยตายจากไป โดยธรรมดาจะไม่เกิดความเศร้าโศกเพราะพวกนี้มักจะรู้ว่าผู้ที่จุติหรือตายจากไปนั้นไปอยู่ที่ไหนเขาสามารถที่จะติดตามไปดูแลไปเยี่ยมเยียนได้และตามความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความสูญเสียซึ่งผิดกับมนุษย์ถ้ามีใครซึ่งอยู่ด้วยตายจากไปเขาจะรู้สึกว่าเป็นความสูญเสียอย่างร้ายแรงเพราะเขามองไม่เห็นว่า คนที่ตายจากไปนั้นเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถึงแม้บางคนจะเชื่อว่าคนเราตายแล้วไม่สูนแต่ก็ไม่เชื่อสนิทเพราะตัวเองมองไม่เห็นส่วนโอปปัติกะในภูมิสูงเขามองเห็นไปเยี่ยมเยือนได้ไปคอยให้ความช่วยเหลือได้ ถึงแม้จะพูดกันไม่ได้โดยตรงเห็นเข้าฝ่ายเดียวพวกโอปปาติกะที่อยู่ในระดับนี้ก็จะไม่เสียใจเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่สภาพของมนุษย์จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพูดที่จากไปไปดีเขาก็พลอยมีความสุขด้วยแต่ถ้าไปไม่ดีก็จะมีความสังเวชซึ่งจะเป็นเหตุให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้นไปอีก แต่ถ้าโอปปาติกะคนไหนในภูมินี้เกิดความเสียใจเขาก็จะจุดติหรือตายทันทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุญของเขาที่จะอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นหมดแล้วคำว่าบุญหมดในที่นี้หมายความว่าภูมิปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตซึ่งเมื่อก่อนเคยมีนั้นเดี๋ยวนี้เกิดมืดมัวลงความปล่อยวาง ความอดทนและคุณธรรมอื่นๆอีกหลายอย่างที่เป็นเหตุให้ตนเองมาเกิดในภูมินี้และที่เป็นเหตุให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอในภูมินี้นั้นเดี๋ยวนี้ได้หมดกำลังลงเสียแล้วความเสียใจซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีเพราะบุญเหล่านั้นยังอุปถัมม์อยู่ในเมื่อเกิดขึ้นจึงแสดงว่าบุญหมดครั้นแล้วจึงต้องจุติหรือตายจากภพภูมินั้น อบปฏิกะที่รู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่าจะจุติก็มีที่ไม่รู้ตัวก็มีคือถ้าเป็นโอปปาติกะชั้นสูงซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้ฌานเป็นโอปปาติกะชั้นพรมหรือชั้นเทพเจ้าโอปปติกะชั้นนี้รู้ตัวลวงหน้าว่าจะจุติเมื่อไรและจะไปเกิดที่ไหนแต่รู้รายละเอียดไม่เหมือนกันเช่นโอปปติกะชั้นสูงจริงๆ จะสามารถกำหนดได้ว่าจะจุติในเวลาไหนซึ่งถ้าจะพูดในสำนวนของมนุษย์ก็แปลว่ารู้ว่าจะตายวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเวลาเท่าไหร่คือในชั่วโมงไหนในวินาทีไหนและไปเกิดกับพ่อแม่คนไหนรู้ละเอียดถี่ถ้วนแต่ถ้าเป็นพรมชั้นรองลงมา ก็จะรู้แต่เพียงคร่าวๆ ว, ว่าอาจจะเป็นวันนั้นเดือนนั้นหรือปีนั้นซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นวันไหนแน่เวลาไหนแน่และจะรู้แต่เพียงว่าอาจจะไปเกิดอยู่กับคนกลุ่มนั้นในถิ่นนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่ากับพ่อแม่คนไหนส่วนโอปปาติกะที่อยู่ในชั้นกามาพจรจะไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าตัวเองจะจุติเมื่อไหร่ แต่เพื่อนที่อยู่ด้วยในภูมิเดียวกันจะสังเกตเห็นได้เช่นเขาจะเห็นว่าวิมานที่อยู่สวนดอกไม้เศร้าหมองลงรัศมีของโอปะปะติกะคนนั้นก็น้อยลงจิตใจก็เศร้าหมองไม่ร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเพื่อนที่รู้จะพยายามแนะนําชักชวนให้ทําใจให้รื่นเริงให้เบิกบานเหมือนเมื่อก่อนแต่ในเมื่อคนนั้นจะหมดบุญจริงๆแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะทำให้รื่นเริงขึ้นมาได้และความคิดก็เริ่มวิปริตไปจากเมื่อก่อนอะไรที่เคยพูดกันรู้เรื่องเข้าใจดีก็เริ่มจะไม่เข้าใจแม้กระทั่งเรื่องที่ตัวเองเคยเข้าใจมาอย่างดีเมื่อก่อนก็กลับจะไม่เข้าใจในเมื่อภาวะของจิตใจเปลี่ยนแปลงไปประสาทก็เริ่มเปลี่ยนแ ป, ปลงไปตามภาวะของจิตใจและที่ร้ายที่สุดก็คือเบื่อคาแนะนาของเพื่อน มักจะนึกอยู่เสมอว่ามันจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของฉันคล้ายๆกับคนในโลกนี้บางคนที่เดินทางผิดทั้งที่รู้อยู่ว่ามันผิดแต่ก็อยากจะทําซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีความคิดแบบนั้นพวกโอปปัตติกะประเภทนี้เมื่อจุติแล้วก็จะไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นอะไร ข้อความที่เขียนมานี้สำหรับคนที่เคยอ่านเรื่องในคัมภีร์ที่กล่าวถึงว่าทเทวดาจะจุดติจะต้องมีนิมิตห้าอย่างมาปรากฏให้เห็นก่อนนั้นก็าอาจจะเข้าใจว่าเรื่องแววเสียงสวรรค์ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ลอกแบบมาจากข้อความในคัมภีร์นั่นเองเพราะมีอะไรคล้ายกันมากแต่ความเป็นจริงแล้วข้าพเจ้าได้เขียนตามคาบอกเล่าของโอ ป, ปปาติกะองค์ที่เคยตอบปัญหาต่างๆมาแล้ว และเมื่อท่านเล่ามาแล้วข้าพเจ้าจึงรู้สึกทีหลังว่าคล้ายกับข้อความในคาพีฉะนั้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านได้เปรียบเทียบกันดูว่าข้อความที่กล่าวไว้ในคาพีกับที่ท่านบอกมานั้นมีอะไรแตกต่างกันบ้างข้าพเจ้าจะได้คัดเอาข้อความที่กล่าวถึงเรื่องนิมิตหมาให้ท่านได้เห็นดังต่อไปนี้ ภานิมิตห้าในคำพีพปปัญจสูทนีภาค3หน้า577ได้กล่าวไว้ว่าภายในเจวันเทวดาก่อนที่จะจุติมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีปุปพหานิมิตห้าอย่างมาปรากฏกล่าวคือ 1. ดอกไม้ที่ประดับอยู่ที่กายเหี่ยว 2. เครื่องนุ่งห่มเศร้าหมอง 3. เหงื่อไหลจากรักแร้ 4. ผิวพรรณไม่ผ่องใสคือความชราปรากฏ 5. เบื่อหน่ายที่อยู่ข้อความที่กล่าวมานี้เป็นอัธกถาตอนที่อธิบายถึงข้อความตอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเล่าให้พระอานนทราบว่าโดยธรรมดาพระโพธิสัตว์ทุกองค์ เมื่อจะจุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์จะสามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะจุติเมื่อไรจะไปปฏิสนธิที่ไหนและได้เล่าถึงความมหัศาจรรย์ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ให้พระอานนท์ฟังอีกหลายอย่างข้าพเจ้ารู้สึกสนใจข้อความในพระสูตร ต, ตอนนี้มากจึงได้ให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปกราบเรียนถามท่าน เพื่อต้องการรู้รายละเอียดและเพื่อต้องการยืนยันว่าเรื่องที่กล่าวไว้ในคำภีนั้นเป็นความจริงแค่ไหนซึ่งท่านก็ได้กรุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ในเรื่องปุพานิมิตห้าอย่างเฉพาะข้อที่สามท่านบอกว่าอันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนส่วนข้อที่หนึ่งท่านได้บอกว่า เทวดาไม่ใช่ว่าจะประดับดอกไม้ทุกองค์โดยเฉพาะพวกเทพบุตรแต่ถึงแม้ดอกไม้ที่ประดับอยู่ที่กายจะไม่มีแต่ดอกไม้ในสวนหรือดอกไม้ที่อยู่ในสถานที่ที่เทวดาองค์นั้นอยู่ก็จะเหี่ยวและยิ่งกว่านั้นเทวดาที่จะจุตินี้ถ้าหากไปหาเทวดาองค์ไหนในระหว่างนั้นก็จะทําให้ดอกไม้ในสวนของเทวดาองค์นั้นเหี่ยวไปด้วยแต่ก็จะเป็นอยู่ชั่วคราวพอเทวดาองค์นั้นไปแล้ว ดอกไม้ก็จะกลับสดชื่นอย่างเดิมนิมิตข้อที่2 4และ5อันนี้ท่านไม่ได้อธิบายแต่ท่านก็ได้กล่าวว่าเทวดาองค์อื่นๆเมื่อได้เห็นนิมิตเหล่านี้ปรากฏแก่เทวดาองค์ไหนก็จะช่วยกันเตือนสติเทวดาองค์นั้นให้รู้ว่าเวลาที่ท่านจะจุติกำลังจะมาถึงแล้ว และท่านบอกว่านิมิตเหล่านี้จะปรากฏก็เฉพาะแต่เทวดาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นซึ่งถ้าจะไปเกิดในอบายภูมินิมิตเหล่านี้จะไม่มีแต่จะวิบหายไปทันทีโดยไม่ทันรู้ตัวและถ้าหากจะจุติไปปฏิสนธิในภูมิที่สูงกว่านิมิตเหล่านี้ก็ไม่มีตรงกันข้ามแสงสว่างของเทวดาองค์นั้นจะมากขึ้น มีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอันหนึง่งท่านได้อธิบายอีกว่าเรื่องนิมิต ท, ที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องเฉพาะของเทวดาที่อยู่ในโลกสวรรค์เท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในพรหมโลกและไม่ใช่เรื่องของผู้ที่มาครุกคลีอยู่ในโลกมนุษย์ เพราะผู้ที่เป็นพรหมนั้นเมื่อจัดจุติก็จะยังรู้ได้ด้วยญาณของท่านเองส่วนภูมิเทวดาชั้นต่ำอย่างที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าภูมิมเทวดาซึ่งเทวดาพวกนี้จะไม่เคยเห็นโลกสวรรค์จริงๆเลยพวกเทวดาเหล่านี้มีสภาพความเป็นไปคล้ายกับมนุษย์มากเช่นที่เป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นคนพิการก็มี เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆก็มีเพราะพวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวมีอุปปาทานในความเป็นมนุษย์เหนียวแน่นมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างเมื่อเป็นมนุษย์ทุกอย่างและพื้นจิตใ จ, จต่าส่วนในสวรรค์คนแก่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะแลดูเป็นหนุ่มและเป็นสาวอยู่เสมอคนพิกการหรือคนเจ็บป่วยก็ไม่มีเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าร่างกายของผู้ใดเริ่มเหี่ยวแห้งหรือเริ่มไม่สบายขึ้นมาก็หมายความว่าถึงเวลาที่จะต้องจุติแล้วอันหนึ่งสำหรับพวกเทวดาชั้นสูงที่มาจากสวรรค์หรือมาจากพรหมโลกที่มาคอยดูแลให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์ เทวดาเหล่านี้ก็ไม่มีนิมิตห้าอย่างนี้ปรากฏในระหว่างที่อยู่ในโลกมนุษย์รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังมีอีกมากแต่หน้ากระดาษของเราจำกัดจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนิอดดดาูลลงคบ เธอที่เ้า คิดได้ก็ใช่ป